กบุคลคลจกขุนทริยะมูลกะในสาม้อยแปดสิบห้าอนุจกขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจกักขูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจะขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสตินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวกรภูมิ ปัดิมพวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตินรีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิโสตินรีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ และบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติโซตินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่เมื่อกำลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติโซตินทรี์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิด อนุจากขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคาเนนรียของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจกักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คาเนนรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกร บ, บุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิ อรูปราวจรภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคาเ mm. <ware FP. S 1> นนศีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิคาเนนศีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิประชิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติคานิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภวิกรบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติคานิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิด แล้จักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวกภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิ บุคคลเหล่านั้นจับอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าได้มีปุริสะเกิดได้เธอปฏิสนธี่ในบางภพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิทินศีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอิทินศีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม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 บุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการะูมิปัดฉิมภวิกรบุคคลในรูปภูมิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบเดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุ จากขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจากขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการะภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในอรูปภูมิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ แล้วปรินิพานบุคคลเหล่าได้มีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและบริสินศีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิบุริสินศีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจกขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปชินพระวิตะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวกะรภูมิ บุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปราวจรภูมิและอารูปราวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จกักขุนสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวกาลภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในอรมูภูมิ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 บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจะวการภูมิและปัจฉิมพวิกรบุคคลในอรูปภูมิจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด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 บุคคลเหล่านั้นกำลังจุติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปขิกกปป oui นสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอุเปขินีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปชินพมภวิกละบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวโการภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจักขู่เกิดได้มีจิตเป็นสมณจักอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกาลังอุบัติ อูเบขินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปฏิทินวิสะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นสมนัตจักอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอุเบขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุ maid. จากขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด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 และมรียีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนณีศีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนรี์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิประชิมพวิกลบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จากข nee ุนรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้ปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและประชิมภวิกลบุคคลในอรูปภูมิมนิณีศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด และจกักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดจกักขุนธริยมูลกะในจบขานินทริยมูลกะในสามอปหอนุขานินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิถฉินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติขานินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่อิทินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกางบาวจรภูมิปฏิทินพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูบาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแ ล, มและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแห ล, ละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติคาเนศรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และอิทธินิสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอิทธินิสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคาณินทรีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในรามาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพรือภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติเอทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่คาเนนจีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญเจวโอคารพูมิปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทธิ์ศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและคานินทรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุคาเนนซีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสิทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสิลศียไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กำเนิดปรินิพานในคามาวจรภูมิปัดฉิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติค่าเนินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่จกเกิด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 ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่คาเนนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกางบวจรภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูบาวจรภูมิและอารมวาจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและปรินิพานบุคคลเหล่าใดมีอิทธิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติ ปุริจินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและคาเนนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคาเนนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคาณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคาเนนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในคามวจรภูมิ และปัจชิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิรูปาวจรภูมิคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดคาเนนซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปฏิชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่คาเนนซีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปราบาวาจรภูมิและปัจฉิมพวิกระบุคคลในรูปรวาวจรภูมิอา ร, รูปรวาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมณสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ คาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุณสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปริญิพานในกลามอวจรภูมิปฏิบัติพระวิกรบุคคลในรูปาวจารภูมิอารูปาวจารภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปริญิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติคาเินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมุณสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ สมณสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคาณินสี์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปจิมพ์พรวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกางมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปริญิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติสมนณสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่เมื่อกำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปริญิพานในกางมาวจรภูมิ ปัดชิมพวิสะ บ, บคุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบคุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานบคุคคลเหล่านั้นกำลังจุติสมณสินสีของบคุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและคาณินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคาณินสีของบคุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินสีของบคุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบคุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปขินรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกลางมวจรภูมิปัจจิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติคานินซียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปขินซีก็ไม่ใช่จักเกิด ปติอุเบกินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคาณินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปชินพระวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในกาบาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานะเกิดได้มีจิตเป็นโสมณัตจากอุบัติแล้วเปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอุเบขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คาณินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กําลังปริพิพานในกามวาวจรภูมิปัดฉิมพวิกรบุคคลในรูปรวาวจรภูมิอรูบาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและคาเนนรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุคาเนนสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสักทินรีปัญญินรีย์ มนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังเปรินิพานในกาลมาวจรภูมิและปัดจิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียีก็ไม่ใช่จักเกิด เมื่นินทรีย um <son>? mm. ของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดคาเินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปัดทิมพวิกระบุคคลผู้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่คาเินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กาลังปรินิพานในการมาวจรภูมิและปัดทิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิด และขานินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดขานินธริยะมูลกระในจบอิทินทริยะมูลกะในสามร้อยแปดสิบเจ็ดอนุอิทินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด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 อิทธิ cult ีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินชีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิปุริสินชีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอิทธิชีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉินพรวิเคราะบุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดได้กำลังอุบัติบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้จากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิ์เกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกนําหนิดอุบัติปริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิจฉินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในารามวจรภูมิปัจจิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิารูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิารูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติปริศินรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทถินีสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอิทธินีสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินีสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทธินีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกางปาวจรภูมิและปัดถิ่นพรวิกคะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิอิทธินทรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรียีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอิทธินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปัดถิมนพรวิกคะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติ ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิทินทร์สีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกลางมวจรภูมิและปัดทิ้งวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและอิทินทร์สีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุอิทินทร์สีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมณสินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ บุคบคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธิ์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมณสินส right ีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปริญิพานในกาบาวจรภูมิปัจฉิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปริญิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทธิ์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และโสมนสินสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิโสมนสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิประทิมเพะวิเกิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วบริณิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในกลามาวจรภูมิและปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติสมนสุนธิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและอิทธิสีก็ไม่ใช่กาลังเกิดวิบุคคลทั้งหมดผู้กาลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ อิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเปขินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกลามวจรภูมิปฏถิญผวิกละบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมณะจักอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปขินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ อุเปขินรีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปทิมภวิเราะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอุเบขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อิทินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปริญิพานในกางมวจรภูมิ ปถิมผววิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นสมณเจ้าอุบัติแล้วปัตติพานบุคคลเหล่านั้นกำลมงจุติอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุอิอทินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัททินสีปัญญินรีมณินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทินิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกลางาลวจรภูมิและปัจฉิมภวิกละบุคคลในรูปาวจรภูมิและในอรูปาวจรภูมิอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมนินทสีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิด อิทธินสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิทธินิสียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังเปรินิพานในกลางาวจรภูมิและปัจฉิมพรวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูบาวจรภูมิมณีนิสัยของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและอิทินิสัยก็ไม่ใช่กําลังเกิด ทุริสินธิริยมูลกะในจบปุริสินธิริยมูลกะใน3ามอนุปุริสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กําลังเป็นริญพาในกางมาวจรภูมิและปฏิชิมพวิกลบุคคลในรูปาวจรภูมิารูปาวจรภูมิปุริสินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปฏิชิมภวิกลบุคคลผู้มีปุริจักเกิดได้กําลังอุบัติ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ปุริสินร์สีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกางบาวจรภูมิและปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูบาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและปุริสินทร์สีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริสินร์สีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนสินทร์สีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ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 และสมณสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดบุริสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิเคราะบุคคลผู้มีปุริสะเกิดแต้กำลังอุบัติบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่บุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด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 วิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสจากเกิดไม่ได้กำลังอุบัตปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเป็หินสีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในการปวาจรภูมิปัจฉมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมารูปาวจรภูมและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัตและปรินิพานบุคคลเหล่านั้ น, น, นากลาน ล, ลังจุติ ปุริสิน <ism>? um. สีของบุคคลเหล่านั <ING UP> ้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเปกินชีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิเคะบุคคลผู้มีปุริสากเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีปุริสากเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัจจ์อุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติ อุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในการาวจรภูมิปัจฉิมพวิกะบุคคลใน ร, ลรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอุเบขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุ ปุริสินีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจัตถินีปัญยินีมนินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กาลังปรินิพานในกามวจรภูมและปัจทินภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมอารูปาวจรภูม ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิมนินทรียของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปัชิมพระวิเคราะบุคคลผู้มีปุริสากเกิดได้กําลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกลามวจรภูม oh, ิ และปัดฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมณีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและปุริสินรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินทริยมูลกะในจบชีวิตินทริยมูลกะในสามร้อยแปดสเกอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมนสิณรีย์ของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมมณสินรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฏิมจิตปัจฏิมจิตที่สัมปยุด้วยอุเบกขาจะเกิดในลําดับแห่งจิตใจในพังคขณะแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมมณสินสีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิป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 ในพังค์ขณะแห่งจิตน well ั้นทรงมนต์ศรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตศิีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุชีวิตศิลป์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินศิลป์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตศิีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินศิลป์ไม่ใช่จักไม่เกิด ในพังคขณะแห่งปัฏิมจิตปัฏิมจิตที่สัมปยุด้วยสมมนั้นจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเบกินทร์สีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเบกินทร์สีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัฏิมจิต ปัติมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัติมจิตปัติมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพัธคณะแห่งจิตนั้นอุเปกินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุ ชีวิตินทรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัจตินทรีย์ปัญญินทรีย์มนินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จักเกิด มนินีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดชีวิตินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตมนินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ชีวิตินีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตมนินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและชีวิตินีก็ไม่ใช่กาลังเกิดชีวิ ต, ตินทิยามูลกะในจบ โสมนสินทริยะมูลกะในสามอยเก้อนุโสมนสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านิโรทสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด อุเบกินรีไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพยงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยอุเบขาปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นโสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเบกินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเบกินรีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด สมณสิสสนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขคณ <by> ะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นอุเบกขินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมณัตบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบขา ปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจกเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอุณุโสมนัสสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตถินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากโสมนัส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 โสมนัสสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสัตทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบคาสัตทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิด อนุโสมนสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินรีมนินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสบุคคลผู้เข้านโรทสมาบัตและบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญสัตต ภ, ภูมิโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินรีไม่ใช่จักไม่เกิด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 แต่โสมนัสสินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอุเบกขามนณีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและโสมนัสสินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสสินทริยมูลกะไนจบอุเปกินทรียมูลกะไนสยเก้าสบออนุ อุเบกินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสตินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทภณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สตินรียไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุจ ด, ด้วยอุเบกขา บุคคลผู้พร้อมเพลงเรื่องปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัจทินสียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสัจทินรีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบขาสัจทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังค์ขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาบุคคลผู้พ ร, อพ ร, ร้อมเพลิงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสัจทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและอุอบเบ ก, กินซีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุอุเบกินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรียมะนินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขขณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุติจากอุเบกขาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุปาจุในอ ส, สัญญสัตตภูมิอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จกักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุติ ด, ด้วยอุเบกขาบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุติ ด, ด้วยโสมนัสอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินสียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ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 และอุเบกินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินทรียมูลกะในจบสถินทรียมูลกะในสามอเก้าสิอนุสถินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขณะเห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่นจิตที่วิปยุจจากศรัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต และบุคคลผู้อุปัายูในอสัญญาสัตูุลสัตตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญินรียไม่ใช่จากเนิ่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตสัตตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญียก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิปัญญียของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดสัตตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขนาแห่งปัจฉิมจิต ปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สัจทินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสัจทินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุสัจทินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธา บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสัตินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคัณะแห่งปัฏิมจิตสัตินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนินทรียของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสัตินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัศนะแห่งปัฏิมจิต มณินทรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จัตตินทร์ศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพันกัคคณะแห่งปัจฉิมจิตมณินทรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและจัตตินทรียีก็ไม่ใช่กำลังเกิดสัตตินทลียะมูลกะในจบปัญญินทลียะมูลกะในสยเก้สอนุปัญญินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมณินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม วิในพังข้าขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากยานบุคคลผู้เข้านิโรธจำมาบัตดและบุคคลผู้อุบาตอยู่ในอาศนิสัตสตภูมิปัญญีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่เมณีสีไม่ใช่จักไม่เกิดในพังข้ขณะแห่งปัฉิมจิตปัญญีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและเมณีสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิเมณีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด ปัญญินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใ น, ใ, นในอุปาทภณะแห่งปัจฉิมจิตมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ปัญญินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังก <Minecraft> ัณะแห่งปัจฉิมจิตมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและปัญญินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัญญทรษยีมูลกะในจบ